โกทงคตวาสุขังเสติแปลว่าฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธลงได้ก็หายทุกกเกเสมสุขเสพสันแต่หันษาไร้ทุลียียวนกวนอุราดังจันทราเมฆหมดไม่บทบังไม่ฆ่าโกรธให้ตายไม่คลายทุกข์จะหมายสุขเสพสันนั้นอย่าหวังเหมือนเมฆหมอกราคีมีพลัง เข้าบทบังเปื้อนปะสัสี t h o สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการกดแห่งกรรมผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเช้าวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องแปลกๆสักเรื่องเรื่องอีกาครับท่านผู้ฟังอ่าการครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่ท่าเรือแห่งหนึ่งก็มีแม่ลูกคู่หนึ่งพ่อตายไปตั้งแต่เด็กแม่ลูกก็เลี้ยงชีพโดยการทําขนมหาบ หาบขายได้เงินเล็กๆน้อยๆพอกินพอใช้มีความสุขความรักระหว่างแม่ลูกนี่แน่นแฟนมากจนแทบไม่มีสิ่งใดมาแยกคนทั้งสองออกจากกันได้การเวลาผ่านไปจนลูกชายเติบโตขึ้นเป็นหนุม่มตลอดเวลาก็ช่วยเหลืองานของแม่ตลอดมาวันหนึ่งลูกชายก็คิดว่าควรจะทํางานให้เป็นหลักเป็นฐานมากกว่าที่เป็นอยู่ก็เกิดความคิดที่จะเป็นลูกเรือเพื่อจะฝึกการค้า อ่าก็จะไปกับเรือลำหนึ่งก็ขออนุญาตแม่เดินทางไปค้าขายแล้วก็รับปากว่าจะกลับมาเยี่ยมแม่บ่อยๆตอนแรกลูกก็กลับมาเยี่ยมแม่สม่ำเสมอเอาเงินมาฝากไว้ไม่ขัดนานเข้าลูกชายเริ่มชำนาญการเดินเรือมีประสบะการณ์ค้าขายมีเงินเก็บมากขึ้นก็เลยซื้อเรือเป็นของตัวเองกิจการก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนแทบไม่มีเวลามาเยี่ยมแม่จากที่เคยกลับไปเยี่ยมบ่อยๆ ก็เว้นช่วงห่างเป็นเดือนเป็นปีจนในที่สุดสิบกว่าปีผ่านไปลูกไม่เคยกลับไปเยี่ยมแม่อีกเลยฝ่ายแม่ก็เฝ้ารอคอยการกลับมาของลูกทุกวันเวลาแล้วก็ติดตามข่าวคราวลูกชายจากเรือลำนั้นลำนี้อยู่เสมอจนทราบว่าลูกชายของตัวสบายดีทำมาค้าขึ้นเป็นเศรษฐีแล้วก็แต่งงานกับสาวสวยลูกสาวพ่อค้าเศรษฐีที่เมืองท่าแห่งหนึ่ง แล้วก็กําลังจะแล่นเรือมาส่งสินค้าที่ท่าเนี้ยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แม่ได้ยินอย่างนั้นก็ดีจใจเป็นที่สุดก็ได้แต่เฝ้าคอยถามข่าวคราวถึงกําหนดวันที่เรือลูกชายจะเข้าเทียบฟังพอรู้กําหนดวันแน่นอนแม่ก็ตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะมารับลูกแล้วก็คิดว่าควรจะทําขนมที่ทํายากแล้วก็ใช้เวลาทํานานๆให้มันดีที่สุดเลยให้สมกับการตั้งใจคอยของแม่แม่จะเหนื่อย ยากยังไงก็ยอมละแม่ก็เลยคิดเอ๊ะทําขนมอะไรดีทําขนมจีนดีกว่าอ่าขนมจีนต้องเริ่มต้นแช่ข้าวให้พองก่อนคืนหนึงแล้วเอาไปโม่ด้วยมือตัวเองถึงจะได้น้ําแป้งจากนั้นก็กรองเอาน้ําออกกดทับด้วยของหนักเพื่อไล่น้ําออกเหลือแต่แป้งต่อมาก็เอาก้อนแป้งเนี่ยมาต้มน้ําให้สุกแล้วก็ใส่ลงในกระบอกหมุนกดออกมาเป็นเส้นลงไปในกระทะใบใหญ่ซึ่งใส่น้ําเย็นไว้แล้ว ส่วนน้ำแกงก็จะเริ่มโดยการขูดมะพร้าวคั้นเอาแต่หัวกะทิอย่างปลาแกะเอาแต่เนื้อแล้วก็โคล ก, กับเ ค, เครื่องแกงส่วนผักนี่ก็จะจัดหามาหลายๆชนิดแม่เตรียมการไวล่วงหน้าถึงสามสี่วันเสร็จแล้ววันนั้นมาถึงแม่หาบขนมจีนด้วยสังขารอันโรยราเพราะวัชรามากแล้วไปถึงท่าเรือตั้งแต่เช้านะกลัวจะไม่ทันลูกชายเดี๋ยวจะไม่เจอ คอยอยู่จนสายแม่ก็เห็นผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งผู้ชายนี่หล่อเหลาสวยงามจำได้เลยว่าลูกชายส่วนผู้หญิงที่เดินมาด้วยนะคงจะเป็นลูกสะใภ้แกก็ร้องทักขึ้นแล้วก็เรียกให้กินขนมจีนฝ่ายผู้หญิงสาวสวยก็หันมามองหญิงแก่ที่กำลังร้องทักแล้วก็ถามสามีว่าผู้หญิงคนนั้นใครลูกชายในหน้าเสียเลยบอกไม่รู้จักแล้วก็ทำท่าจะเดินผ่านไป แม่ก็ตัดพอต่อว่าแต่ลูกชายก็ยืนยันว่าไม่รู้จักแม่ได้ยินอย่างนั้นก็บอกว่าถึงจะจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ลูกชายลูกสะใภ้ในกินขนมจีนก่อนแล้วก็ตักขนมจีนยื่นให้ฝ่ายลูกชายก็เกิดความอับอายภรรยาหรือไงไม่รู้อ่าวว่าหาขนมจีนเททิ้งลงทะเลหมดเลยแล้วเดินจากไปสายใหญ่แห่งความรักเส้นสุดท้ายของแม่ก็ขาดสะบั้นลงสุดที่แม่จะกลั้นไว้ได้ ก็ยกมือชี้ไปที่ลูกชายอีกมือหนึ่งชี้กราดไปทางท้องทะเลแล้วสาบแช่งให้ลูกชายเป็นอีกาให้สมกับความใจดำอมมหิตให้ไปหากินด้วยกันแอบขโมยแล้วก็อ้าปากดื่มน้ำจากฟ้าว่าอย่างนั้นด้วยอํานาจวาจาของแม่ผู้มีพระคุณไม่นานลูกชายก็มีอาการผิดปกติปากก็ค่อยๆยาวขึ้นยาวขึ้นแล้วแหลมด้วยอิริยาลุกลี้ลุกลนกลัวน้า ตามตัวก็เริ่มมีขนสีดำงอกประปรายไม่ยอมกินอาหารแต่ว่าจะแอบบแอบบกินจิวลักกินขโมยกินจนตัวผอมเล็กลงเล็กลงขนงอกเต็มตัวมีปีกบินได้เสร็จแล้ววันหนึ่งก็บินขึ้นสู่ท้องฟ้าวนเวียนหาคนรักหาน้ำกินแก้กระหายเป็นที่เวทนาแก่ผู้พบเห็นทั่วไปเราจะเห็นได้ว่ากาจะไม่กินน้ำบนพื้นโลกเมื่อถึงหน้าร้อ น, นกาจะทรมานมาก เพราะไม่มีฝนตกต้องร้องกากากาแต่ในหน้าฝนจะไม่ค่อยได้ร้องให้ใครได้ยินนะกาเวลาฝนตกจะอ้าปากากินน้ําฝนเพราะฉะนั้นจะคนจะไม่ค่อยเห็นกาไปกินน้ําที่ไหนอ่ะครับนี่ก็เป็นไม่ใช่นิทานไทยหรอกเป็นเรื่องของฝรั่งครับนะครับเอามาเปรียบเทียบคนในระคุณมันต้องกลายเป็นอีกาในที่สุดปากก็แหลมนะนิสัยไม่ดี คนนิสัยไม่ดีเป็นเป็นอะไรดีๆไม่ได้ต้องเป็นไอ้ที่มันชั่วๆ่วอย่างอีกาเนี่ยนะครับครับเดี๋ยวพักสักครู่มาฟังนิทานจากออสเตรียกันสักเรื่องหนึ่งครับเรื่องเพชรในท้องปลามีชายคนหนึ่งอยู่กับภรรยาเพียงสองคน เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาไว้เป็นเพื่อนเวลาผ่านไปภรรยาของเขาก็ล้มป่วยเสียชีวิตลงเขาก็เลยอาศัยอยู่เพียงลําพังเวลาล่วงเลยมาหลายปีเขาก็แก่ชราลงทุกทีเรียวแรงที่จะทํามาหากินก็เริ่มหมดแค่เพียงชีวิตเดียวยังอดมือกินมือแต่ว่าเขาต้องรับภาระเลี้ยงดูแมวดูหมาอีกบางวันเขาแบ่งอาหารให้พวกมันกินจนตัวเองไม่มีอะไรตกถึงท้องเลย แมวและหมาเห็นเจ้านายลำบากก็เกิดความสงสารก็พากันไปหาอาหารมาให้เจ้านายกินพวกมันออกไปจับปลาที่ริมน้ำตั้งแต่เช้าจนบ่ายคล้อยก็ยังไม่กลับทำให้ชายชราเป็นห่วงกระวนกระวายใจครั้นพอเห็นแมวและหมาของตนคา ป, ปลามาก็ดีใจฉันไปหาปลามาให้นายจ้ะฉันเห็นนายลำบากมามากแล้วพวกฉันเลยตั้งใจจะหาเลี้ยงนายบ้าง แม่พวกแกนี่เป็นสัตว์ที่มีความกระตันอยู่จริงๆนะงั้นเดี๋ยวฉันจะไปทำอาหารมาให้กินก็แล้วกันชายชราก็ถือปลาเข้าไปในครัวทั้งแมวและหมาก็เดินตามเข้าไปช่วยครั้นเมื่อชายชราใช้มีดกรีดลงไปที่ท้องปลาก็รู้สึกว่าปลายมีดมันกำลังเสียสีกับของแข็งเขาคิดว่าเป็นก้อนกรวดก็เลยใช้มือล้วงขึ้นมาดูชายชราตกตะลึงเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ในมือมันเป็นเพชรเม็ดงามเจ้านาย เจ้านายเป็นอะไรไปยืนอึ้งอยู่นั่นแหละแล้ววันนี้จะได้กินข้าวกันไม่เนี่ยโอ้เพชรนี่มันเพชดชัดๆเลยโชคดีเหลือเกินนะเจ้าแมวเจ้าหมามาดูสิชายชราก็เรียกเพชร จ, รจริงๆด้วยโอ้ยเรารวยแล้วทีนี้เราจะได้มีข้าวกินทุกมื้อแล้วชายโยชายโยแมวและหมาก็กระโดดโลดเต้นไปด้วยความดีใจ หลังจากที่ทั้งคนและสัตว์กินอาหารกันอย่างอิ่มหมีพีมันแล้วก็รีบเข้านอนเตรียมออกเดินทางเข้าเมืองเพื่อจะนำเพชรไปขายแต่เชา้าเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งสามออกเดินทางไปอย่างร้านเพชรเจ้าของร้านเพชรก็ดูอย่างพิจารณาแล้วก็หันมามองชาชาราที่มีสภาพยากจนจึงถามหาที่มาของเพชรด้วยความซื่อชาชาราก็เล่าความจริงทั้งหมดให้ฟัง เจ้าของร้านเพชรก็ทำหน้าวิตกกังวลแล้วก็บอกให้ชาชาราจงระวังความหายณะจะมาเยือนเพราะว่าเพชรเม็ดเนี้เป็นเพชรของกษัตริย์ที่หายไปแล้วก็ราชสํานักเขากําลังประกาศตามหาอยู่แต่ว่าฉันไม่ได้ขโมยมานี่ฉันเจอมันตอนผ่าท้องปลาจริงๆซึ่งปลาตัวนั้นนะ่ะแมวและหมาของฉันมันจับมาให้โอวยหมากับแมวของลุงนะ่ะมันเป็นสัตว์เดรัจฉานพูดไปใครจะเชื่อ หากสำนักพระราชวังรู้ข่าว่ะลุงจะต้องได้รับโทษสถานหนักนาะอาจจะขึ้นโรงขึ้นศาลไม่ได้หยุดหย่อนเลยและตูถ้ามันเป็นของกษัตริย์ฉันก็ไม่อยากจะได้แล้วขอท่านจงช่วยฉันด้วยอย่าให้สำนักพระราชวังมาวุ่นวายกับฉันเลยแค่นี้ฉันกษัตริย์เลี้ยงก็ลำบากกันมากแล้วเจ้าของร้านเพชรก็รับคาชายชราก่อนจะปิดร้านหลังจากชายชราเดินคล้อยหลังกลับไปได้ไม่นาน หมาและแมวเห็นไม่ชอบมาพากลแล้วก็สงสารเจ้านายที่เดินคอตกกลับบ้านไปพวกมันก็เดินวนเวียนอยู่หน้าร้านเพชรคู่หนึ่งเจ้าของร้านเพชรก็ควบรถมาออกไปพร้อมกับเพชรเม็ดนั้นหมาและแมวติดตามช่างเพชรไปที่คลื่หนหดงามแห่งหนึ่งเจ้าแมวอาศัยความกระตารัดปราดเปรียวว่องไวก็เข้าไปสอดแนมสถานการณ์เห็นเจ้าของร้านเพชรยอมเจ้าเล่ย์กำลังเสนอขายเพชรเม็ดงามที่ได้มาจากชาชราขายให้แก่ เศรษฐีนีคนหนึ่งนะเขาออกมาจากคฤรหดัดหลังนั้นพร้อมกับเงินถุงใหญ่ที่แลกเปลี่ยนกับเพชรมาได้เจ้าของร้านเพชรก็ยิมยิ้มย่องในใจสมเพชในความงูเขาของชายชราแหมสงสารไอ้แก่นั้นเหลือเกินหลงเชื่อเราซื้อสนิทถ้าเราไม่ได้ฉลาดไปกว่ามันป่านนี้มันก็คงอยากได้เป็นเศรษฐีเมื่อเราไปแล้วเ <laughs> จ้าของร้านเพชรควบรถมากลับบ้าน สีหน้าสดชื่นเบิกบานแต่ทันทีที่เขาก้าวขาลงจากรถมาสีหน้าเขาก็ซีดเผือดเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองยืนรอเขาอยู่แม้วที่แอบเข้าไปสอดแนมในคฤหาสน์หลังนั้นหลังจากที่รู้เรื่องความทุจริตของเจ้าของร้านเพชรก็นำเรื่องไปเล่าให้ชายชราเจ้านายฟังชายชราก็รีบรุดไปแจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพื่อขอความเป็นธรรม เจ้าหน้าที่ตะครุบตัวเจ้าของร้านเพชรจอมช่อโกงได้ก็สอบสวนจนเขายอมรับสารภาพว่าได้หลอกลวงชายชราผู้นี้เพราะเห็นแกเงินก้อนโตหลังจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองควบคุมตัวเจ้าของร้านเพชรไปรับโทษแล้วชายแก่ผู้โชคดีก็ได้กรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของเงินถุงนั้นไปเขาก็เลยกลายเป็นเศรษฐีในชั่วพริบตาชายชรากับแมวและหมาของเขาจึงได้รับความสุขสบายเพราะเงินก้อนนั้นไปอีกนานครับ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่มีความรักและความเมตตาให้ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เมื่อผู้รับได้รู้ถึงคุณค่าของการดูแลเอาใจใส่เขาจะพยายามตอบแทนบุญคุณนั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่ว่าความเต็มใจที่จะทําให้ไม่อาจจะประเมินราคาได้คนที่มีจิตใจไม่สุจริตคิดช่อโกงยักยอกสมบัติพระสถานของคนอื่นนี่เป็นมหันต ภ, ภัยร้ายของผู้อื่น สุดท้ายแล้วตัวเขาก็จะได้รับแต่กรรมตอบแทนอย่างสาสมทีเดียวล่ละครับต่อไปเป็นนิทานจากคิวบาครับเรื่องชายแคะอัปปัษก์พระราชาและมเหสีหน้าเมืองแห่งหนึ่งปกครองแผ่นดินคู่บารมีกันมาหลายปีแต่ก็ยังไม่มีพระราชโอรสหรือว่าพระราชธิดามาเสวยราชสมบัติสืบต่อไป วันหนึ่งพระมเหสีพบแมวตัวหนึ่งที่สามารถสื่อสารเป็นภาษามนุษย์ได้พระมเหสีก็พอพระไทยในความฉลาดและก็น่ารักของมันเป็นอย่างมากถึงขนาดให้เข้าไปนอนในห้องบรรทมได้ณนะสวนย่อมในพระราชวังขณะที่แมวน้อยกําลังเดินตามพระมเหสีอยู่ข้างกายมันก็สังเกตเห็นพระพักที่เศร้าหมองของพระนางมันก็ถามถึงสาเหตุแห่งความทุกข์ในครั้งนี้พระนางก็ตอบแมวอย่างอ่อนใจ ชีวิตฉันน่ะมีทุกอย่างอะไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นทองหรือว่ายศถาบรรดาศักดิ์แต่ทำไมฉันถึงยังไม่มีลูกสักทีก็ไม่รู้เออเรื่องนี้เองนี่ที่ทำให้พระนางกัดกุ้มใจอยู่หม่อมฉันรู้วิธีที่จะทำให้พระนางสมความปรารถนาอ่ะวิธีไหนอ่ะเจ้ามีวิธีไหนเราจะทำทุกอย่างเลยถ้าหม่อมฉันหายไปจากที่นี่พระนางก็จะมีทายาทได้อุยแต่ฉันรักเธอเหมือนลูกนะถ้าเธอหายไปฉันคงจะคิดถึงมาก แล้วฉันก็อืไม่คิดว่าถ้าเธอไม่อยู่ที่เนี่ยฉันจะท้องจริงๆกระหม่อมรับรองไดว้ว่าที่ทูลไปทั้งหมดนะเป็นความจริงนะพระมาเหสีก็นิ่งอึ้งอยู่ครู่ใหญ่ก็ทําให้แมวน้อยวิ่งพรวดออกไปอ้าวเธอจะไปไหนนะ่ะแมวน้อยอย่าทิ้งฉันไปนะเออหม่อมฉันสัญญาว่าจะกลับมาเมื่อความประสงค์ของพระนางบรรลุผลเรียบร้อยแล้วแมวตัวนั้นก็หายไปจากวังร่วมเดือนทําให้มาเหสีหงอยเหงา แม้จะมีนางกำนันคอยอยู่เป็นเพื่อนตลอดเวลาท่านางเริ่มมีอาการประชวนพระราชาก็เรียกหมอหลวงมาตรวจผ่ากาัน เ, เป็นพระมหากรุณาธิคุณและพระเจ้า่ะไม่ต้องทรงห่วงใ ย, ยเรื่องป ก, ปกติตอนนี้มาเห่สีกำลังสงคันโยเลยหน้ามืดบ้างเป็นธรรมดาท่านว่าไงนะหมายความว่าเ อ, อ่อท้องเหรอพระเจ้า่ะถูกแล้วพระเจ้า่ะ ทุกคนในวังต่างก็ปิติยินดีเมื่อได้ทราบข่าวนี้ถึงแม้พระมเหสีจะเปลี่ยนไม่ได้ความสุขสักเพียงใดแต่พระนางก็คํานึงหาเจ้าแมวตัวนั้นตลอดเวลาขั้นพระนางได้ให้กําเนิดพระราชธิดาแล้วก็ต้องกังวลพระไทยไม่ว่างเวน้นเพราะพระพธิดาในการแสงอยู่ตลอดซักถามแม่นมคนไหนก็ไม่เคยเห็นเด็กคนใดขี้อ้อนเท่ากับองค์หญิงเลยพระราชชาพยายามสรรหาของเล่นมาให้ก็ไม่เคยสนพระไทย พาไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ไม่เคยเห็นผลพระมเมห์ศีก็คลุ่นคิดไปถึงแมวตัวนั้นแมวตัวนั้นมันมาเกิดเป็นลูกของเราหรือเปล่าเนอไม่อย่างนั้นมันจะหายไปไหนอะ่ะก็สัญญาว่าจะกลับมาเมื่อเรามีลูกตามความปรารถน า, ภานี่ถ้าหากแมวตัวนั้นอยู่ลูกหญิงจะต้องหยุดร้องไห้แน่นอนพระมเมห์ศรีคิดแล้วก็ทรงนําเรื่องไปปรึกษาพระสวามีในที่สุดพระราชาก็สั่งให้ทหารตามหาแมวตัวนั้นกลับมา ทหารหลวงแทบจะพลิกแผ่นดินหาแต่ก็ไร้วี่ีแววทหารและนางสนมบางคนก็หาแมวน่ารักแล้วก็ฉลาดมาถวายเจ้าหญิงก็ยังไม่หยุดการแสงจนทุกคนเริ่มถอดใจแม้แต่พระราชาและพระมเหสีเองก็เช่นเดียวกันวันหนึ่งมีชายแคระหน้าตาอัปลักษณ์ผิวหนังเป็นปมเต็มตัวใครเห็นต่างก็รังเกียจไม่อยากเข้าใกล้ลักลอบเข้ามาในเขตพระราชวังทหารทั้งหลายขับไล่แล้วก็ตามจับให้ออกไปจากวัง แต่ว่าชายแครคนนั้นก็กลับวิ่งเร็วเร็วยิ่งกว่าคนธรรมดาแถมยังกระโดดข้ามหัวทหารบางคนที่ยืนขวางหน้าอยู่คนแครผู้นั้นวิ่งเข้าไปถึงท้องพระรงค์ทำให้พระราชากลิ้วเป็นอย่างมากใครปล่อยให้คนอับประลักผู้นี้เข้ามาที่นี่นะฮะพระองค์ตำหนิทหารหลวงที่วิ่งตามมาพระมเหสีแสดงพระพักถึงความดีพระไทยเจ้าแมวเจ้ากลับมาหาฉันแล้วจริง พระราชาหันไปทอดพระเนตรพระมเหสีแล้วตัดนั่นมันเป็นคนเธอมองเห็นได้ยังไงถึงว่าเห็นได้เป็นแมวพระมเหสีเพ่งพระเนตรไปที่แมวตัวนั้นให้เห็นชัดจึงเห็นว่าเป็นคนแครตามที่พระราชากล่าวทันใดนั้นนางสนมคนหนึ่งก็วิ่งเข้ามาคุกเข่าด้านหน้าพระพักองค์เหนือหัวและพระมเหสีเพคะองค์หญิงทรงหยุดการแสงแล้วเพคะตั้งแต่องค์หญิงประสูติก็มีครั้งนี้แหละที่หยุดการแสงนาน พระราชาและมะเหสีก็แย้มพระโอษฐ์ด้วยความดีพระทยัยม่อมฉันคิดว่าต้องเป็นเพราะคนแค่แน่ๆเลยที่ทําให้ลูกหญิงหยุดร้องไห้ได้พระราชาและมะเหสีจึงพาคนแค่ผู้นี้ไปพบกับองค์หญิงเพื่อเป็นการพิสูจน์ความจริงเมื่อองค์หญิงเห็นคนแค่ก็แสดงท่าทีร่าเริงไม่เกลียดกลัวซ้ํายังชูมือเพื่อให้คนแค่อุ้มเห็นไม่เพ้ยนคะฝ่าบาทม่อมฉันว่าคนแค่ต้องเป็นแมวตัวนั้นแน่ๆเลย แต่คงโดนคำสาปให้กลายเป็นอย่างนี้คนแคะที่เป็นใบไม่สามารถจะสื่อสารโต้อตอบอะไรได้ก็ได้แต่มองตาปริบๆหลังจากนั้นพระราชาและพระมเหสีก็จัดท่องให้คนแคะอาศัยอยู่ในวงังอยู่เป็นเพื่อนเล่นแล้วก็คอยดูแลองค์หญิงตลอดมาจนเจ้าหญิงน้อยจเจริญวัยวิ่งเล่นไล่จับอย่างสนุกสนานคนแคระถลายหกล้มไปกับพื้นองค์หญิงที่วิ่งตามไม่ทันก็ลื่นล้มตาม ปินปักผมของพระองค์ปักลงที่แขนข้างหนึ่งของคนแคะองค์หญิงตกพระทัยมากก็ดึงปิ่นออกคนแคะใช้ลิ้นเลียเลือดตัวเองทําให้ทุกคนที่เห็นถึงกับพงะรวมถึงองค์หญิงน้อยด้วยเจ้าแมวเจ็บไหมเจ้กินเลือดตัวเองทําไมอะ่ะอย่าเลียสิเดี๋ยวฉันจะพาไปทําแผลกับหมอหลวงดีกว่าคนแคะยังไม่ยอมหยุดเลียเลือดทางนางสนมและทหารที่เห็นต่างก็เบือนหน้าหนี ไม่นานนะักร่างคนแคระก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นแมวจนเห็นได้อย่างชัดเจนองค์หญิงตกพระไทยแต่ก็ตื่นเต้นอดีพระไทยที่เห็นแมวน่ารักยืนอยู่ตรงหน้าพระพักพระองค์ก้มลงสวมกอดแล้วก็อุ้มมันกลับมายังท้องพระโร์เพื่อจะนําไปให้พระมารดาทอดพระเนตรเสด็จแม่ไปคะแมวกลับมาอยู่กับเราแล้วมันน่ารักมากเลยเพคะพระมเหสีทอดพระเนตรมาที่แมวก็เห็นเป็นแมวตัวเดิมก็ทรงปิติเป็นอย่างยิ่งเจ้าหายไปไหนมาลนะืม เจ้ากลับมาแล้วท่นจะไม่ยอมให้เจ้าจากไปไหนอีกนะแมวก็บอกว่าหม่อมชั้นถูกแม่มดใจร้ายสาบจะแก้คำสาบได้ก็ต่อเมื่อได้ดื่มเลือดตัวเองที่ถูกปิ่นองค์หญิงปักหม่อมชั้นดีใจเหลือเกินที่ได้กลับมาอยู่กับพระมเหสีและองค์หญิงอีกครั้งพระมเหสีก็อุ้มเจ้าแมวน้อยลูบขนไปมาอย่างพอพระทยัยทุกคนมีความสุขที่แมวกลับมาอีกครั้ง ซึ่งแมวตัวนี้ก็อยู่เป็นเพื่อนเล่นของเจ้าหญิงแสนสวยไปจนสิ้นอายุไขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ว่าคนหรือสัตว์หากมีความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นรักษาสัจาวาจาที่เคยกล่าวไว้ก็จะเป็นที่รักและที่เชื่อถือของคนรอบข้างความดีของเขาก็จะตราตรึงอยู่ในความทรงจำของคนอื่นถึงแม้ในอนาคตคนผู้นั้นจะละจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามครับ